12. อุรุเวลปาติหาริยกะถาว่าด้วยปาติหารที่ตำบลอุรุเวลาเรื่องชดินสามพี่น้องข้อ37ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจริกไปโดยลำดับลู่ถึงตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นชดินสามคนคืออุรุเวลากัสปะนัตีกัสปะขยากัสปะอาศัยอยู่ที่ตำบลอุรุเวลา ในชาดินสามคนนั้นชดินอุรุเวละกัสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกเป็นเลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชดินห้าร้อยคนชดินนาธีกัสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกเป็นเลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชาดิน300คนชาดินขยากัสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกเป็นเลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชดิน200คนต่อมาพระผู้มีพระภาค ได้เสด็จไปอย่างอาสมของชฉดินอุรุเวลกัสปะครั้นถึงแล้วได้ตรัสกับชฉินอุรุเวลกัสปะดังนี้ว่ากัสปะถ้าท่านไม่หนักใจเราจะขอพักในโรงไฟคือหนึ่งชฉดินอุรุเวลกัสปะกราบทูลว่าท่านมหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยหากแต่ว่าในโรงไฟนั้นมีพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้าย มันอย่าได้ทำร้ายท่านพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชาดินอุรุเวละกัสปะแม้ครั้งที่สองว่ากัสปะถ้าท่านไม่หนักใจคืนนี้เราจะขอพักในโรงไฟชาดินอุรุเวละกัสปะก็กราบทูลว่าท่านมหาส ม, มณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยหากแต่ว่าในโรงไฟนั้นมีพญานาคที่ดูร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษ มีพิษร้ายมันจะได้ทําร้ายท่านพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชดินอุรุเวละกัสปะแม้ครั้งที่สามว่ากัศปะถ้าท่านไม่หนักใจคืนนี้เราจะขอพักในโรงไฟชดินอุรุเวละกัศปะก็กราบทูลว่าถ้าแต่มหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยหากแต่ว่าในโรงไฟนั้นมีพญานาคที่ดูร้ายมีฤทธ เป็นอสรพิษมีพิษร้ายมันจะได้ทําร้ายท่านพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่าพญานาคไม่ทําร้ายเราท่านกัสปะท่านโปรดอนุญาตโรงไฟเถิดชาดินอุรุเวและกัสปะก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาสมณะนิบน์ท่านอยู่ตามสบายเถิดลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปสู่โรงไฟทรงปูเครื่องลาดหญ้าประทับนั่งคูบันลัง ตั้งพระกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้า